ออกไปอายามากนี่เรบที่พ้นไปดีนะหรือที่พ้นจากกิเลสอย่างต่านครับเพราะฉะนั้นอาญามากนั้นเป็นชั่วพิโมกพิโมกถ่ายก็พ้นนะพ้นไปดีหรือพ้นจากกิเลสมีอย่าง่งานะครับในช่วงพิโมกเป็นทีื่อของพระอมากนะครับถ้าอาญามากมีโสังปฏิบัติเขาเขาแล้ิโมกนี้นะถ้าเรียกว่าส่วนยตตนพิโมก พเปล่าจากราค่าโทรศัพนหมู่ะถ้าเรียกว่าอันนี้มีสารมีโมกก็ไม่มีนิดด้วยนิมๆเคือราค่าโทรศัพนหมู่คณ่ที่ผมมีมิต่างกันนั่นเียบข้นพานะถ้าขอ้นพาอย่จะสมัยแบบไม่มีนิดๆท่านก็บอกว่าไม่มีอาการที่เป็นให้เกิดรา่ารศันหมูะนี่ผมเรียนที่มาที่ที่ปาาลบคู่กับา 80โมงนะมาอ๋อเาินได้ใช่ไหมใช่ไหมเย้ตัใครได้มาแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้มีตัางน้ำไม่มีนี่ระยะเวลา60โมงห่านนะท่านี้ว่าถ้าตอนนี้า0โมงแล้วข้างใมีที่ตั้งหรือ แพ่พ like, ิาตที่มนึงีห yeah? ลันะกีหลพนี้เขารยกว่ปณิสินะความเป็นพิ่านนี้เราไม่มีไม่มีความเป็นพิฆาตเลยว่าปณิสีตงนะเพราะไม่มีพิฆางคือราฆาโสังโมกข์ธรรมชาติที่ชื่อสมาธิเพราะว่าตั้งจิตไว้เสมอคือตั้งจิตไว้ในอารมณ์นะเพราะว่าสมาธิเมื่อกี้ก็เป็นชื่อของอาญยมันนะในหลวงพอเี้ แน่ท่านี้ว่าสมาจิ้มเพราะว่าตั้งจิตไว้ใสมุนไพรไว้ในอารมณ์ที่เชื่อวสมาบัติเขาเป็นธรรมชาติที่การเรียกจ้างหึ้นมาคือข้อแต่ไม่หมายถึงโทรศัพท์ไหลเลยครับพวามเป็นธรมชาติที่การเรจ้างขึ้นมาคือข้อการเรียกจ้ขึ้นมาคือข้อบทที่อยู่ในคำเหานี้มีอะไรียบ้าอันนี้ก็ไม่ได้หยือเปล่าไม่บอกว่าพิสูจ ก็จะอวเรื่องบทใดบทหนึ่งนะก็เป็นปาราซิสแทนที่สูตรคือกาบทอันใดอันหนึ่งเพียงบทเดียวถาว่าข้าราชการจะตีได้คำนี้ต้องเป็นปาราิสทนี่เหตุที่มายรึออะไรทาหรือะรทีทีนี้มาเขามีสามสารนะครับได้แก่บุท้าเรืกองบุคลเพื่อวางสารนิติอนุชาในอดีตได้นะครับที่ได้รับจากสูตนะ้นแล้วก็อ่านคำว่าพยัญชนะ ในวิชาสารเมื่อวิสุจน์คือเอาซึ่งแม้ชื่อแห่งวิชาใดอันหนึ่งบวกว่าข้าพเจ้ามีปกติไห้วิชานี้ย่อเป็นตาชิพเเพววิชานี้ก็บอกวาป็นวิชาอะไรคระขุทธเจ้าปกติได้บุพเพเนิวาหาบริวารนี้เด็กก็ไปแต่ไอ้สามเเพวทัศนคตาต่างว่าเมื่อวิสูจกล่าวว่าพราพทเจ้ามีปกติแห่วิชาทีหายดังนี้ก็มี ข้าพเจ้ามีปกติได้วิชาสามอันนี้ก็ดีย่อมเป็นประลาชื่กันแต่ถ้าใจยังไม่ได้ปวนะเราหมายถึงวิชาอะไรเนี่ยภาษาบาลีภาษาวิชาพิธานี้เนี่ยไม่เป็นนงครับข้าพเจ้าตอนรู้วิชาพิธานึ่งฝังเองบาลีนี่นะไม่เป็นนะครับถ้าเหมืวิชาอันนี้เนี่ยเราย่อมเป็นประลาชื่นกันนะ มรรคภาวนาเรื่องการอะไรในโลกศาสนามรรานาไรืแกะโพลิปตีสความสามเจ็ดประการาบอกว่าที่สัมปองยุ้ด้วยมรกคเ่ยเป็นโลกิณะแท้ครับถ้ามาส네่องความในบอกว่ามรรคภาวนาเพราะว่าส่วนที่เ mm, ป็นโลกิญาณก็มีใช่ไหมในทีนี้เราข้อที่เป็นโลกิตณะครับจะได้เชื่อมมรรคภาวนาที่นี้ครับข้อเหตุนั้นในมรรคภาวนาคือานท่านจึงว่า วันนี้ห็นผิิแล้วเองเป็นประจิตแก่ที่สูดคู่ก่าว่าข้าพเจ้ามีปกติได้สังานที่ไปลงกระเอาไว้แล้วเราได้ครับข้าพเจ้ามีปกติได้ถึบัตรหายที่บัตรีพระราระนตรีมารมีรงแตที่เปลมกะบใค่ความนี้นะเพื่อเป็นประจิข้อเป็นลมนคนนะความเพราะถ้าบอกว่าพู้ถึงข้ามันนี้ ที่เกิดมาเมื่ิตหรือจิตมครับต่อไปนครับส่วนในหาปัจจมีเป็นต้นพื้นฐานว่าเมื่อรู้สุขฐานด้วอำนาจส่วนอันหนึ่ง่อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ปัติได้จิตปัะหารองนี้ก็ดีตอนนี้ถึงไม่ได้บอกเพราะหลตสนะครับบอกแตว่ามีปัจได้สุติปัจจานะอนี้ก็ดีด้วยอำนาจทำอย่างหนึ่งึงในส่วนเหล่านั้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติัได้นะครับ กายีพัฒนาสถิประฐานดังนี้ก็ดีแม้จะเป็นประานสีลไฟออมาเป็นประฐานเดียวใช่มนะครัว่ากายีพัฒนาเป็ประฐานดังนี้ก็ดีนะเป็นการส่อเหมือนกันแม้ทำไม่ใช่คำใาษาจะิเป็นต้นั้นย่อของภาษาขอพเาเหตุใครข้อเหตุที่ท่านกล่าวมายถึงประฐาที่เกิดขึ้นในขณะใ่มากเหมือนกันนะครับถึจะบวกว่าได้สิประฐานธรรมดานะไม่ไม่บวกเ่ราะเราสกสนะเปหนไวนะครับ แต่ถ้าใจเคลื่อนหวถือว่าเป็นปัญหาในมากนะเนขณะอีกมากของเราก็เป็นกุาชิสหนึ่งเช่ผมาแต่ถ้าเราเราได้ีป็นปัญหาหมายถึงที่เป็นโลกรีนะเรื่องปรัชญาเป็นปัญหานุคเวลาพออยางได้แต่ถ้าเราหมายถึงเป็นปัญหที่เป็นโลกสาธารลมากขอาม่ได้ถูบวกแต่เพราะโลกสาธารลก็ดีนะหรือว่าแม่ไม่ว่าไม่ได้บวกแต่หมายถึงเป็นปัญนาในขณะอีกมากของนร มันมีความที่ปฏิเสทำ้ขนาดานะูะเหมือนแม้ในการทให้ได้สิ่งผลนะครับทำให้ได้โซดาผลก็รู้นะก็คุณทราบว่าเป็นการช่ยอมน่าเหยียบพอจะมีเเข้าต้อไปหมดนะถ้าไหนทำให้ได้สิ่งโสดาเนี่ยอากาศท่าทาน่าช้าหลับับก็เลยเหมือนเป็นนันแล้วก็คุณก็ท่าท่าจะครอครองน่าเชื่อเ ต้นยอดผ้าเ้าสัตว์ในหมวดสามมีคว่าราข้กศัตวามนเป็นต้นก็การอักเสบนั้นเลยมากเสียแย่อมีย่อมไม่มีนะครกิงอยู่กลนะราคะและโรงขาย่อมมีได้มากที่สุดข้ี่ห้านู่นคือว่าราข้านั้นคุณนี่น่นเนี่ยรา้าศและโงาได้เหมือนกันข้อเท่ากับว่าการแสดงบ้านตัวเองเนี่ยได้มาไมากนะครับข้อมาอยู่หน้าตื่น้ มือบ้นบ้านคืรงนั้นตรงนี้น่ะนะข้าวขึ้นาวตเพียงขางไว้ในับถ้าาบอกว่ารับลายค้าวโพลสานย่อการรับายขาโพสาย่อมมีได้ในมังโสานคือคือมงไหนก็ถ้านาคามีนาคามีั่งก็ได้รับลายข้าวโพลสานนาข้าคือตามมาข้าวร่มแล้วก็โรลสานข้าวนาคามหน้าน การหน้าหงายย่อมมีด้วยมากที่สคือการขาดธรรมครับข้อเหตุนั้นจึงเป็นต้นาชิแม้แต่ที่จุดผู้กล่กวความเนต้นว่าราคะเข้าไป้างางให้แล้วนะครับเฉพาะองค์ตระนกับสมาบัคือความค่าคือความค่าตัดมีหยดหายเหตคว่าราาะจิตกานไว้เมื่าใดใดที่ครับข้อเหตุนั้นแม้โูยที่จุดกล่าความเป็นต้นว่า กิของพระเจ้าผ้าออกจากราค้าก็เป็นฟราช่อเหมือนกัะครนี่ก็แค้านิดหนเฉยเฉยเพราะว่าแทรกเข้าไปตรงเพราะว่าล่างถึงล่างล่างจะมีผ้าตื่นแล้างอกจากราข้ามามมงศรัทาเพาขอใช่ไหก็มีความวตรงตน้นก็โดนวนี้หมดกลางใช่ไหมหมวดบ่าเฉเนี่ยไอ้แบบแห่งบทสัญญาที่แปลว่าเงินบ้าอยู่นะ ท่านได้ประสคงปาราซีนนะครับด้วยเกียดความที่ไม่เลื่อยด้วยหามากข้าพเจ้ามินีที่พ่อในสัญญาทานแท่หัวแท้เนี่ยไว่าราซีนะเข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งเลื่อนเลื่อนในบ้านฝาหงนี่นยังไม่รด้ถึงการรู้จิตหรือธรรมะนะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำเป้อไว้ว่าข้าพเจ้ายินดีทพอในสัญญาทานด้วยประสมมัชาต้องบวกข้อกระสุมมัชาย์เป็นข้อที่ดีมา ก็รานั้นที่สูงในการเลื่อนเลือกฐานมากขั้นต่ามีเฉพาะในสุญาเลือกแทน ช, ชื่นี้ที่สูนี้แหลง่งทุนาเป็นปราชิปนะครับต่อไปบรรณาวิชาแปนะครับที่ต่ามากเลยก็คือข้อหมายซึ่งวิชาแสทขั้่างไม่ในทุกเรี้นนะขั้ต่าในวิชาแปดนะครับแต่วิชาแสดขั้นต่าต่งมากเลยก็คือ น, นะมีอัมพัทสาสูตนต้นนะครับวิชาห้าเหล่าใดแต่งโดย พิจารางนะครับนมวิจิตรนะครับนี่ที่สำเร็กด้วยใจใหมขนวิจีรนะที่สำเร็จด้วยใจเกี่ยวกับภกบอลนครับในนามิตรต้านไปไม้นกนะก็วิจิตคสิ่ที่วิจิแตดที่ได้ที่ก็อย่ศกที่และใจตรงไปง่ากสขนมวิจิตรมีคนอยู่นะครับนี่นะไม่ได้หมายในบทแาชนะนะครับในบทจำแนกนักท้าทายท้าบที่ไม่มีครับ เมื่เดนเยนถ้าเราเทศน์วิทยายานยานที่สามาิตย์ท่สามที่หนึ่งนะครับใช่เราะวันพฤหับดี้าวันศุกรองไมับใ่ใชิใชาใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่่ช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใช่่่่่่่ ยาที room, <Ừ. S 1> lại, ่ป <c ười> <Ừ. S 1> ็นหมดรู้นะจิของตัวเอ่งไอ้าจะมีชาไม่มันก็ไม่พาดนะแต่ว่าอนี้อันนี้ต้งว่าไม่ได้มาแล้วในบทสัตวนะในบทตอนแรนะแต่งหมว่ายานึ่บรรดาวิชาหาหลักนะครับจะพ่อวิจารณาอย่างเดียวย่อมไม่เคยมาเปานเ่นอเราไม่แต่ดอเหตุเาเอาพระพุทาเจ้าได้อะไรนะ กูเคยอยากไปยานี่ครับนั่นก็คือเสียเสียงนน้เรื่องมังังบังยุคับวามไปยานั่นนั้นไปมาเอายานีไม่ไมูมากไมน้มาอันนี้ได้ยินว่าชินนหนึ่งนาวิชาที่เหลือคือท่าบวาเป็นวัตถุพาราชินที่เหลือไม่น่าเลยพ่อได้ยินยาที่เหลือหน่อเขียนกัน้ินญาและชินครับนน พอวันนั้นอภิญญาเป็นเป็นจินแต่ชาที่นอนเป็นการชำางนะครับเป็นชาที่ห้าก็แล้วก็หัวเริงได้แฉกเลยผมพอเห็นนะเมื่อพิสูจน์สารวัตรพระพุเจ้าเป็นผู้ปกติได้ลุกพัฒนากรณีว่าพระพเจ้าเป็นผู้มีปกติแด้ลุกพัฒนาอย่างกีณียังไม่เปลี่ยนแปลงซึ่ครับแต่ถ้าพิสูจนารวัถึงรากษาว่าทิ่ชาสี่แม้นอกจากนี้นะที่มโนมิที่เป็นต้องนะครับ ไม่สืบเนื่องลุยาย่อมไม่เป็นมัธยปลายชิอันนี้ไม่ถือเรนะานะมไหมีไม่ถืาทดีแล้นู้นอาไม่เรื่องที่ทเรื่องยุกค้างนะครับเพราะหนั้นจึงไม่เป็นปรารชิแม้แต่ผู่คก่ยวของหรือว่าข้าเจ้าเป็นผู้ปฏิบัตมโมไมเขาเปเจ้ า, า, จจาเป็นผูป้ปฏิบอีจจกที่วิธีเขาเป็นเจ้ า, นน า, จาที่ปฏิบัตที่คันโสเจตงตองพิัญญาคำนั้นสึงคู้อันตวาสิทธของข่านนั้นนั่นเองค้างแล้วว่า ทนายการไม่ใช่ผู้ชำนาญในพิธีธรทนาเลยนะแนวาระทางไม่ชำนาญนีธรําไม่ว่าองค์ธรรมของอย่างนี้ที่ย่างคืออะไรไม่รู้ถ้าท่าน้มีข้อความในของอเนี่ยย่อไม่ทราบธรรมเป็นภูมิปุ๋ยคือชุ่มวัดญาชุ่ว่าเติมสัญญาีอิพชาเป็นบกทั้งเป็นมารตระคำด้วยย่อคุณในหน้าด้วยฌานเข้าเนื้ เหมือนกันวีชาเท่านั้นถ้าของพ่อปุญาก็อยู่ในชาที่ห้า่หมครับแล้วก็เมทองีญายก็มีชาที่ห้าหรือาแล้ีะยังไงก็ปรวมันนะมัต้องมวนหมุาน้ญายได้ปายอะไรนะ้าว้ไม่่าสองดวูกมหรือว่ามีบานได้ญายองวมีบาา สไม่กิยาเพื่เนถ้า่ี่อนยื้อเป็นสเตเอไปว่ชันอมีกนะไมง้ื่ออะไรครับต้องทนต้เงต้องทำต้อทำต้องทำตอทำต้องทำต้องทำต้องตองทำ้อยทำต้งทำ้องทำ้องทำต้องทำต้อง้ทำต้อต้องทำต้องทองท้รท้ทำต้อองทำ้งงอทงตงงตง้ท เป็นต <ừ. S 1> ้นคือภาพสื่สารทีว่าสีห้าท่านบอกว่าน่ไม่ใช่าพืาถูกพ้นรสิุ่งหาก็ค้างมาอาจารย์ไม่ชนะทำนะเพราะไม่รู้องค์คำว่าคำว่าของนี่ยแต่ในอย่างคืออะไรี่วิาที่วิชาคือจะพิญญาและพิญาาก็มีชาที่เสียนหเพราะฉะนบอกว่าไม่มันไม่ปลที่มันนและคนทขาไป่านะเดี๋วเรื่อเี่ย ก็เป็นพลังช่นอะไรมโนไม่มโนโนไมาษาไทครับมโนแลมโนอีที่เขาใ่อีกที่เขส่องถ้าเขาบอนมโนไม่แปลว่าสาเร็จด้วยใจถ้าอีกที่หรือรีดที่สำเร็จด้วยใจแต่เหมอนเ้ยบอกมาแล้วที่มโนเนี้ยอีกที่ใช่ไหมครับ่ครับ ทางเรียนโ้ได้อยเรียนได้มาเรียนไดางเรียนโได้ผมไม่ได้เรียนนี่ผมเลเรียนได้อะไรเนาะแวถวนั้นที่สูบจะก่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้มีติได้มโนไม่หรืองใส่กนนะหรือพระเจ้าเป็นผู้มีติได้มโนไม่ยากยากหรืจกาวด้วการการที่ตนมุ่จกล่าวก็การดีก็ือให้ความวดเร็ยอย่างนี้นะ เธอย่อมก็ตาชี้จุดกันจ้าไม่าหน้าแล้วหด้อยู่นี่ถ้าโดนเท่านั้นนะเออมีที่หนูใหที่ทนั้นเลยที้อยู่ในจุดขาปราซิมนี้ค่านิทานไม่มาค่ามานนะหนแท้นิทานไม่ได้มีหัวข้อมนนี้นะขาดสิ่งสกาเพิ่แต่่อนขาดนเครับถึงกะนั้นดยพิสูจน์กล่าวว่าค่านิาน ข้าพเจ้ามาเรอแล้วหรือ ว, ว่าพิพพานข้าพเ้าเรื่องแจ้งแล้วย่อมเป็นฟาชื่อเหมือนกันขนะ้อใหญ่อะไรข้อห็นว่าพระนิพพานจะกระดาซึ่งมือกตงนวว่าพระสุนันทีอกว่านัน้าทู่รกาศก็กว่า น่าถ้าเจอตัวเองไม่น่าไม่สัมพันธิใช่ไหมแล้วไม่ได้รู้แล้วก็รู้ตัวเองไม่รู้ที่มิพานร้อนมาูร้อนนะโอ้บางทีพวแก้อนมนอกจากว่าเขาสัมพันธิเนยเขาไปเจออะไรก็ไม่รู้ทาินเาจะมิพานนะนั่นก็เยเรื่องนะที่มันมิพานขยายแกันดเขาถ้ามิพานเป็นต้องมือแก้มือสม่ไหแต่ฟองลอยนี่ฟอพันธ์ทเขาอนั้นเขาไม่เข้าใจเนาไม่รู้แล้วไม่ร้อนหร ก็ไม่ได้หมถึงรจริง่ถ้เวกระตทอรือรนเนี่ยดีนะานอบรรลุพระนิทพานครับก็ถ้าผมว่าหม้อตวเอได้บรรลุมรรคผลแล้วนะพอเราผลิตพรนิพานเจอาครับแลเวหม้อบรรลุนิพานมีกรมีรการมีมาาอนไหนไหมก้าตรารถึงวครับนกนะครับีอไรบ้าครับ อย่างมโคือว่าดีนไม่ไดีเ่วแตนี่ก็ถือว่าประาณจริงๆครมกเคยได้อย่างมโนนี่คือมโนไม้โรงงานมโนนั้นนครับตอนนี้ยังไม่ัน่สามารถทำได้แต่ก็เคยพายามเรืองจากที่เคยทำนะครัถ้าบอกว่าได้สมารที่ ด้สมาธิเอใช่ก็ยังไม่ลงนเนี่ยแล้วเราจะทสมาธิทำที่กบรสมาธิช่การนั่งเองนะอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแต่การนั่งนี่ต้องไม่โดนนะเออแต่การสมาธินี่รู้นะแต่ว่าเนี่ย เาไม่ต้องเช่าหนูแน่หนูเนี่ยอยู่ไปเลยนะ่ยโอันหน้าฉะนเพื่อนร่วหันห้าเขาเลยเาเรอได้ของไอ้ต้องมีพิสูจัยยมีพิสูจน์กันเะเลยมพนกันเอกล่าวตัวชนายของผมนะโอายเนาะอาทีนี้ท่บอกว่าแม้เมื่พิสูจน์การว่าพระเจ้าแทตลอดรับจ่าสิ เนี่ยแทงตลอดฉัจ่าสิแทงตลอดม่เว้นได้สิโคตรสบายจตรโดนมาสิเหมันนครับผ่านนี่ตองมาเ่ไหร่กันจะทลอดัจ่าสิเลยครับขนาสคือตงถึงใครนี่มากเนีหรือตัดจ่าสินั้อข้าเจ้าแทตลอดแล้วพ่องกันปลาที่เหมือนกันอ่าาะเห็นอะไราะเห็นกเาามารแทงตลอดตัดจ่เป็นคำย่างที่เลือดมั่งเลครับยางนเนี่ยนะเป็นคำอะไรพครับที่ใช่เลียดสีมั่งที ก็ก็เหมือนรับคําำถามของนั่งก็เนะ่ยก็บอกว่าแทนอดจัดสี้วเทาก็ว่าเคล่นกันแบบ้มากกวางมากกว่าตัวแทนยอดจัดีนี่ะออกไปอันหนึ่งนะครับถ้าถามในทิศทางว่าเป็นคำิทาสามในคทพิทาสี่ใช่คืออะไร้างครัอคพาสาม ปฏิบติางลูกที่ลูกศิษยปฏิติทางปฏิบัติปฏทางปฏิบัติทางปฏิบติทางลิติทางปฏิบัสท่านปฏิบัาปบัติทางปบัทางทางปฏิบางัติางปิติทปฏิทางปฏัางปฏิบทางปฏางปบัปฏิบัติปฏิบัติทาติทิบัติทางปิตางปฏิัติทาิบัติทางปัติทางิัติทางปฏิบัทา่ปัางปัาปัางปฏิบวตา ย่อมเกิดขึ้นในจิตวิาที่สัมพยุต์ด้วยญาณารเลยราสี่ดวงนี่เกิดขึ้นากรนารจ า, ารก า, ราจิตโลกีย์ทิฏนะตอนนี้มราที่ขึ้ น, นข้ออยนนู่พิภณฐาเียังเกิโลกีินะในการาจานะอะไรนะสมยุทธ์่้ออยญาณสัมพยุทธ์สี่ดวงนะครับก า, าจลจา็นสองสี่าวี อาธรรมเสามพิทาท่านี้ย่อมเกิดขึ้นในจจุาเหล่านี้้วนอาธรรมเป็สามพิทานะเกิดขึ้นในโลกีย์จิตที่มีความมานุษย์ผลิตมานุษย์ยังศีลยานุษย์อายุน่ะด้วยับและก็ย่อมเกิดขึ้นในมรรคผลติลูกถ้าาธรรมเสามพิทาเกิด่อนะที่เป็นโลกีก็มีโลกิตระขึ้นอยึ่นี่นะข้อ้นะมวยไม่สุกขาดเพาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถูกติหน้าธรรมะเป็นสามพิทา มือข้าเจ้าเป็นผู้มือปฏิได้ที่มีิดปฏิสัพิทาถึงข้เจ้าเป็นผู้มือปฏิได้ปฏิสิทพิทาหรือว่าข้เจ้าเป็นผู้มือปฏิได้โลกียะอัตถะปฏิสัมพิทาโลกียะมีสองนและอปตถสัพิทามีสองแตเราเรยว่าโลคียะงนี้นะไมนเป็นกวิื่อที่จะโีนะแม้โดยสิบปากความว่าขาเจ้าเป็นผู้มือปฏิได้ปฏิสัมพิทาทั้งหลายนะ บอกขึ้นมาอันนั้นแลอาวัตย์งไม่ถึงวิสุกกรแต่เมื่อจาระวัคคตเจ้าเป็นผู้จุติได้ลงตะอัตตะตนสามิทยาย่อเป็นกาลาีต้องบอกถึงเพราะอัตะตนสามิทาใช่ไหมที่เป็นกาลที่ต้องารตามวัฏฏะนะครับแต่ว่าถ้าในสังเขปผ่านเอกสานะถ้าจารววามวิสุการแม้มีความไม่แปกกันบา ค้า้าเข้าได้บรนลุอัตถะหรือสัมมิทาถ้เป็นปราชิตและมีที่จ้ากล่าวว่าย่อไม่โคนแต่คำที่เดียไม่เอาใกนะครั้แต่ในมหาปะญหาที่กล่าวไม้ว่าปราชิตย่อไม่มีด้วยเหตุเกี่ยวเท่าอ่านี้แค่บอกว่าอัตถะหรอสัมมิทาไม่ได้ใส่ลงอนตารางนน้ำมันน้ำมันเป็นครับอาวัตย์ยังไม่ถึงที่สุดด้เหตุเกี่ยวเท่าอย่านี้ใครใครเนี่ยทำมาสักษาตีให้เป็นประาณได้เราต้องหา เพราะท่านได้มีการได้แล้วว่าที่สุนี้ไม่ต้องเวลาที่ไม่เห็นเพียเท่านี้ไมเห็นเอกว่าอาดสุขานเยแม้เมื่อรู้สกสามว่าข้าไเจ้าท่านโยธาธรรมนาบัติท่านโยรอบอกว่าท่านโย้เป็นใหรือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มันกรติหน้าที่เป็นธรรมนาบัตนั้นน่นเปื่อตายที่ครกเรข้อนี้โยธาธรรมนาบัไม่ใช่โลกียะ ทั้งไม่ใช่หนุนกระนา้ก็ไม่มีอะไรมาตอบนั่นาหละจิตไรจะตื่นพวกอะไรนะครับก็ไม่เป็นแต่ว่าในมหาปัิปีละสังเกตบัญญัติหนานะถ้าบอกว่าถ้าบางคนเ้าที่ในใจนะครับว่าถ้านาคาเมและข้าศีณาสมนี่ย่อมฟังนิโรดได้ก็ผมเลยพยากรครับจึงพยากรด้วยความในใจว่าชนกระากรู้เราว่าเป็นผู้ใดผู้หนึ่งกอนยาข้านาคาเมื่าศีาสหล่านั้นครับ และเข้าใจและเขาเข้าใจเธ่อย่างนั้นเป็นบาลานที่นี่นะเป็นงานพีลตเดกที่ัาษาบอกน้วาเลยต้องการถอะไรแล้วก็ดูว่าผมเข้าได้มีภาพในคำมีักร่าพที่นาจบไหมและเขาใจเขารู้เพาะว่าโดยภาในคำหนือภาพที่นาจบแต่หมวนการบอกเขาว่าเนี่เา้นโลกได้ใช่ไมนี่นะครับเป็นาลานซ์อีกครั้งคำนั้นคนพันาเสร็จ่อสจร ผมถ้กยังเออย่างนั้นเหมือเดิมน่ะคือมันเกิดข้อความที่คทงานอย่งนี้เรืวิีานีมันก็มีสมัก่อนข้อตบด้าเลยนะถ้อาการคุมมา้มาี่นี่นะครับ้วกมีการคุมมาว่าเก็บมาบอกว่าเป็นอะไรนะเปนารชี้เนื่อากเราไเรยนลมีความที่เรามีงานเรียนเยอะอยู่ ภาพมีการออกไปครับะแค่หนเขจ่ยกันเลยแม้่อพจกว่าในเขาพิมกัแล้วนในเขาพิมพงกันแลเยนคือในการห้ภาพสะสมปัจจุบันองพระเข้าพเจ้าเป็นข้าสุามันเขาไม่มี่าเลยไม่ไปปรานที่ีครับี่เลยถ้ารู้ว่า้าเป็นพระสงฆ์นามมาแล้วในม่านกมาส่วนใหม่ตเป็นข้าสุามันนะครับ มันเป็นอ่นั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นจริงอยู่อาบัติไม่ที่สุดเพราะต่ออ้างถึงฐานที่ลูไปแล้วเน่ยอ้างถึงนที่ลูไปในอดี่นี้เนี่ยรือมนเกิดแล้วก็แค่นี้เลยนะส่วนในสังเกตการกับฐานที่อ่างว่ามาจางสามว่างมุ่งไปสู่สามากข้าวเจ้าเป็นผู้มจตุรีนั่ะมาบัตแนดีตแน่นอไม่เป็นไปที่เพราะสมาบัตแตกในอเป็นสุสัทธ์ธรรมธรรมที่มีความเลิศได้ เพราะเนี่ยจะใช่ไหมครับนี่ได้แม้ทางครับเพราะทำให้กำลังฟอกตเราไม่มีเลยใช่ไหมในสมาในงานข้างหอกำลังลดไแต่เมื่อถามว่าเขาจะสร้างขึ้นปฏิทินสมาแบบแปลกในข้อมูลอยงนี้เยกเป็นแบบยี่เราบอกข้อมูเดิม้อสมาแบบแต่ในข้อแต่ปุิททางงี่มันสเร็จ้อมูลง่ายง่าไม่ยุ่เกิดใช่ไ้ม และความผิดพามไม่ในสังเกตการณ์นั้นท่านก็แพ้ไรไม่เสกความเสียการณนั้นนั่นเด่นมากครับแม้เมื่อผู้สืบามไม้ออกจากข้าไม่ดีไม่เป็นประราชครับข้าเลยไม่ประราชในแต่เมื่อสารไม้ออกากข้ามันเป็นปัจจุบันนัแหละเือนไปทางทางที่ผิดและผุดเขาที่ไม่ตรงครับท่านข้าข้าท่านทรงยัง บทบาทใการสื in in eta, ่อสารั K, map, uh, and, cast, ้งนานอางีแล้วถ้ามียนกี่เาัที่มานเออยิชัยจะตามเลยแต่ความะหัวนี่ก็เป็นเหอนกันหัวว่าเคยนี่ยที่เกิดยังไม่แค่เจ็ดชาพ่อเป็นการเมือตอนตอนก็ถอัมาเพิแล้วหัวงนอะถ้าเราไปดูดูเลย มีตถือะมมีเนื้อหวานี่พวกนั้นยังไงก็รเห็นไทยหมดไเอาตัวบาได้แล้วครับเนี่ยตัวบาได้หนะนักขี่รถมีอิจาได้แล้วนะโอนี่ใช่อไรนครับรัการมาฆาได้นะนะไเียตนัะครับเืออไ่เคยเคเจอเลย ไม่เยอะสกเจ้าหนนครับไม่เยอะสักเจ้าหนุนยี่สิบไหมครับอืมอ่ครับเนเรียนพี่ิัเป็นเรื่องมาากระจายว่าเเรียนมีจังหวะเรไปหน่อยแล้วก็บารก็หลับงานไมเรต้อง่เอ๊ไมมาใส่ยังไงก็เราไม่ได้เป็นตวเราไม่เด ก็ใารได้หน th th là th sure, well, ่อยเพราะว่าไมมาสายคูรกยังไม่เป็นข้อนข้อหรือคืออะไรต่อคือเขาบกว่าในมิติทิตวิทยาคือมีความตัน้น้นมความตนาชั่วช้าอย่างทีเจอท่นนั่นเองคัือเจว่าตาิชนช้าโตมีความตัวน้ชั่วช้าคือความหยาดของน้ำไอ้ตัน้ชั่วช้าทเนียยาดถึงไร้องมาเกือตอับไม่ใช่ ปัญหาให้เขาย่องย่องในคนที่ไม่มีของของของเขาเออเขาย่องย่อุในคที่ไม่มีไม่มีจีบของตนนะอนี้เรอปลาติดโฉมันมีหลายติดโฉนะให้ปิดโฉปัญหามีปาติดโฉปัญหาชั่วม่ปิดโฉปัญหาม่หลังหับมากๆไม่ได้หมือนนะมันไม่รวกควันข้งเราความจิจะเร่อเกลีลยนะปัจจสี่สมองจีวอลยาองไเาหมดนะครับนี่แหละ แล้ก็อะไรอาปิดโฉอิจฉะนะมอได้สบายนี่อาปิดโฉอันดีนะปักปิดโฉอันมีนะสาวตัดโถงนะมันคืออาปิดโฉระปานหนเนี่นะนั่นก็ตาปิดโฉสารตะโกนตาปิดโฉมากเลยก็กระจายตาย่งย่องเตือนไม่ได้มารู้นะครับคยที่เข้้งแต่ตัวนี่นะเตือนเป็นคนไม่มีสตาไม่มีสีไม่มีความคไม่มีปัะญาแต่ต้องการให้เขารู้มยงย่อง ก็าเคยมีสีอะไรนะสักทางสีธรรมทญ่สำคักูวางยาข้อกำนัเลยยาได้ง้าสแตการรักษาถงเสิมเลยปวดหัอนี้แต่ก็มีนักเียต้องมีให้ใจนี้มีข้อดีี้าใจดี